น้องบ้านนาถึงจะสวยตามประสาก็สอผานเนื้อกว่านางใดทุ่งเอ่ยทุ่งรวงทองน้ำเปี่ยมอยู่เต็มฝั่งคลองเช่นพี่รักน้องเปี่ยมไทยสะพานเชื่อมคล้องเหมือนพี่กับน้องเชื่อมใจ อยู่แสนไกลแค่ไหนเชื่อมหัวใจให้สมปองพี่เยือนถึงถิ่นน้องเอายมินน้ำใจเพื่อนไม่จะมองขออยู่ขอตายจนวันสุดท้ายกับ น้องให้ทุ่งรวงทองนี่เป็นเจ้าของเรือนตายทุ่งเอ่ยทุ่งรวงทองแม้หากขาดพี่ขาดน้องทุ่งรวงทองก็หมดความหมายพี่มาจากรุมไม้มุงมาเพื่อนตายรับ รักพี่ได้ไหมโอ้ควันใจทุ่งรวงทองทุ่งเอ่ยทุ่งรวงทองแม้หากขาดพี่ขาดน้อง ร่งรวงทองก็หมดความหมายพี่มาจากรุม่มไม้มุ่งมาหาเพื่อนตายรับปากรักพี่ได้ไหมโอ้ขวัญใจ เรามาฟังเรื่องของคุณก๊อตจักรพันธ์นะคะเจ้าชายแห่งวงการเพลงลูกทุ่งกันต่อคะ่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะที่ก๊อตเนี่ยแอบเดินทางไปหาแม่ถึงสามแยกปากทงชยัยท่านผู้ฟังคิดดูนะเด็กอายุ11แอบเดินทางจากกาญจนบุรีเนี่ยนั่งรถเมล์คนเดียวนะคะไปสามแยกปากทงชยัยคิดว่ากล้าไหมล่ะ เอานั้นนะสี่ก็กล้าไงะคะและพอมาเจอกับแม่เจอสามีใหม่ของแม่ทุกคนเนี่ยปรับตัวได้ซึ่งก็ก็เลยตัดสินใจอยู่นะคะส่วนไอ้โรงเรียนเดิมไม่ลงไม่เรียนมาล้ไม่เรียนอ่ะก็ไม่เรียนทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ก็ไปทำงานที่อู่ซ่อมรถกับป๋าจากเด็กฝึก ง, งานนะคะสองปีเลื่อนเป็นช่างทาสีรถตั้งแต่อายุ13บาเก่งไหมล่ะท่านผู้ฟัง แต่ว่าโชคชะตาพลิกผันนี้นะคะเป็นเด็กมันนอกอีกแล้วก็ต้องไปเลี้ยงควายสามตัวแทนน้าเพราะว่าน้าเนี่ยเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพส่วนก๊อตก็ไปอยู่กับยายไปเลี้ยงควายสามตัวก็ไปอยู่ชนบทที่กันดารอีกครั้งทีนี้การที่ God ก๊อตกลับไปอยู่กับยายครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องประหลาดเพราะว่าก๊อตเนี่ยเขาผิวขาวกว่าคนแถวนั้นคือท่านผู้ฟังลึกภาพนะ ท้องที่ที่โคราชอะผิวก็จะคล้ำๆใช่หัหยแล้วก๊อดเป็นไงโอ้โหขาวมากเลยมันก็จะดูแปลกแต่ว่าก๊อดเนี่ยเขาเป็นเด็กปรับตัวได้อะค่ะก็เลยมีเพื่อนฝูงเยอะแยะที่ตอนควายไปเลี้ยงด้วยกันอะช่วงนั้นเนี่ยก็ก๊อดเนี่ยเขาได้เจอกับวิทยุเครื่องใหม่เอี่ยมเลยแต่มีสนิมมันนะคะหอผ้าอยู่ที่ ที่แบบนี้กรกครางกลางทุ่งนากอก็เข้าใจว่าหงส์สงสัยถูกขโมยมาแน่เลยอะแต่ลืมทิ้งก็แอบเก็บเอามาใช้ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยกนเนี่ยเขาก็เวลาเหงาเงาก็เปิดวิทยุฟังแล้วก็ร้องตามเพลงลูกทุ่งเนี่ยตอนหลังนีก็อยู่กับยายได้แค่สี่ปีก็กลับมาอยู่กับแม่เป็นช่างซ่อมสีรถเหมือนเดิ ม, ม น, นะคะทีนี้ด้วยความที่ชอบและ ก็ส์เนี่ยนะคะเขาก็เริ่มไปเข้าร่วมงานประกวดร้องเพลงเนี่ยซึ่งผู้ชนะเลิศเนี่ยจะได้เข้าประกวดนะคะรายการเพลงลูกทุ่งดังของอประจวบจำพาทองซึ่งก็คือรายการชุมทางคนเด่นก็ส์เนี่ยดูทุกครั้งเลยอยากประกวดแต่ไม่กล้ากลัวตอนหลังค่ะก็์เขาก็มาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในโรงแรมเน่ยติดกเวทีประกวดเลยทีนี้ เขาก็จะชอบร้องเพลงขณะทำงานเหมือนกับฝึกฝึกไปอะนะและโชคดีค่ะกอตก็ได้เข้ารอบในครั้งที่สามละแล้วก็ได้มีโอกาสอาดเสียงซึ่งก็จะเอาไปเปิดในรายการวิทยุให้ผู้ชมทางฟ้าผู้ชมผู้ฟังอะช่วยตัดสินทีนี้ระหว่างที่ ร, รอนี่ก็มีเซลแมนที่เขาขายเครื่องเสียงตามบ้านก็มาพักที่โรงแรม ทีนี่เขาก็จะเอาเครื่องเสียงมันลองไงคะพอมาลองปุ๊บก็เห็นก๊อดหน่วยการดีใช่ไหมเออนุมน่มหนมมาลองอัดเสียงที่ร้องเสียงก็ชอบเลยโอ้โหเอง็งเอ้ยเสียงเพาะจริงๆก็เลยชวนนะคะให้ไปช่วยร้องเพลงเรียกลูกค้าแล้วก็ไปรับเงินเดือนประจําก๊อดนี่นะคะไปตอนลอนทัวร์ขายเครื่องเสียงอยู่สองปีไม่กลับบ้านเลยค่ะแต่ส่งเงินกลับนะคะจนเดินสายมาถึงจังหวัดระยอง ทีนี้ก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวร้านคาเฟ่เห็นปุ๊บอุ้ยหัวหน้าเขาก็ชอบนะก๊อสมันก็เออดีก็เลยเริ่มให้เป็นเด็กเสิร์ฟก่อนไปไปมามาอุ๊ยไม่เห็นดูแวลไม่ได้ร้องเขาก็ไปไปที่พัทยาจนกระทั่งเนี่ยก็ได้เป็นเป็นนักร้องนะคะอยู่ที่พัทยาประมาณหนึ่งปีเนี่ยก็คือ ได้ย้ายมาอยู่ประจำที่หลานไอซ์แลนด์นะคะช่วงช่วงนั้นเนี่ยโปรดิเซอร์ของคีตาริคอมาพบก็ทดสอบเสียงไม่ผ่านเอาคิดดูนะท่านผู้ฟังขนาดก๊อตยังไม่ผ่านน่ะอืมแล้วต่อมานะสามสี่เดือนเตอเรวัดเนี่ยผู้ก่อตั้งร่วมของ GMM Grammy นะคะก็มาชวนก๊อตออกอัลบัม้มบอกเนี่ยก๊อตเธอต้องเรียนร้องเพลงภาษา ปรับปุงบุคลิ ก, กภาพอย่างพวกมีการศึกษาในระดับสูงนะเขาก็เช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่มีเงินเดือนให้ซึ่งเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ร่ ว, รวมร้องเพลงกับก๊อตคือใหม่เจริญปุระค่ะช่วงต่อมาเนี่ยก็มีการผลิตชุดแม่ไม้เพลงไทยซึ่งก๊อตก็ได้ร้องนะคะโดยเพลงแม่ร้ายแพลงไทยเนี่ยคือเอาแนวเพลงระดับครูของครูสุรพลสมบัติเจริญ่ะ เอามาแล้วก็กได้ร้องนี่ก็เริ่มดังค่ะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยคือเพลงสตริงมันดังไงคะท่านผู้ฟังคนเนี่ยนะเขาก็ติดกับเพลงสตริงเนาะสมัยรุ่นก่อนอะ่ะเด็กวัรุ่นมันดังจริงนะเพลงสตริงก็เลยบอกว่าอืขอทำผลงานเพลงสตริงก่อนนะจะได้ตรงกับตลาดซึ่งพี่เต๋อบอกว่าก็ได้ถ้าอยากจะลองแต่จริงๆอ่ะ น, นายหมอกก่บทุกทุ่งนะเอาว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังนะคะ เพลงของกอดดีกว่านะคะที่เขาเอาให้จนดังเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ให้เปิดเพลงนี้ให้ฟังละกันเพลงนี้ชื่อว่าต้องมีสักวันค่ะ สักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฟันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงน้ำเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน ขอใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฝันจะรอวันนั้น รอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมัน่นมีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ สักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวัน่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไม่ตรีเป็นคู่ชีวีในยามที่มีวันนั้น สักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ทอ้อไม่หวัน่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไม่ตรีเป็นคู่ชีวตในยามที่มีวันนั้น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 เจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณส้มเช้ามังกรกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณส้มเช้าแนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะอืเราเราชื่อส้มช้ามังกรเราอยู่หลังสถานีตารวจท่องเที่ยวค่ะเราทํางานเป็นแม่บ้านอ๋อค่ะเป็นพี่สหกรณ์ครูอ๋อเป็นเพื่อนกับคุณอรดาครัอรดาใช่นะคะเป็นเพื่อนกัน แต่เราว่าเป็นไม่มากถึงเขาหรอกเราปวดหัวเข่าแล้วก็เป็นตะคิวที่ที่น้องอะ่ะเราจะเป็นตะคิวที่น่องเวลากลางคืนมันทรมานทรมานมากมันจะเป็นช่วงกลางคืนน่ะเราอะ่ะแล้วก็หัวเขา่าเราก็ปวดปวดมากเหมือนกันแต่ว่าไม่ปวดก็ปวดนะเรายืนน่ะมีทำงานอ่ะเนาะเราเราก็เป็นมาหลายเหมือนกันนะเป็นเป็นปีๆเหมือนกันนะแต่ว่าเรายังไม่ถึงกับเพื่อนคนนี้ คนที่ช อ, อรารดานะี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้น oh. เราเรายังนั่งได้ว่างั้นเถอะเขาว่านั่งพับเพียบไม่ได้ว่ายภาพไม่ได้อืม hmm. เขาแบบเดินนิดเท้าตะแคงอะ่ะเขาอ่าเดินอะ่ะแบบเหมือนเส้นเข้าพริกไงนะค่ะ <Huh. S 2> เรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เรา ก, เราก็เราก็กินเราก็กินของตัวเองอที่เราไปสั่งมาชุดนึงน่ะนะ <Huh. S 2> สองคนกับเพื่อนนี่เนี่ยส อ, uh. สองชุดมากเนาะ uh, uh. อ่ามัแบ่งกันกินแงยก็เราดีขึ้นตะคิวเราไม่เป็นอะ่ะ เราจะว่าอุปทานนะเราครั้งแรกแต่ยังบอกว่าอุปทานตัวเนะี่ยเราบอกเอ้ยไม่ใช่หรอกจริงๆอนะ่ะปกติก็คือ น, นอนอยู่อ่ะดึกๆตะคิวมันจะกินขาเราเราก็ว่าอย่างนี้มตอนนี้เรากินอนะันนั้นเข้าไปอันแรกกับขวดแรกเนะี่ยเราก็ ย, ยังเชื่อนะอเราไม่เป็นตะคิวเลยปวดทุกข์เข่าเราก็ไม่ค่อยเป็นเนี่ยอืมเราดีขึ้นเราก็ยว่าเออละจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งชุดที่สองกันดีกว่าอืมแสดงว่าบ แสดงว่าเออคืออาการดีขึ้นโดยรวมผ่นโทษนะคะคุณพี่อายุเท่าไหร่คะห้าสิบหกแล้วตัวเองเราอ่ะห้าสิบหกแล้วเนาะใช่แล้วห้าสิบหกยังเสียงยังสาวอยู่เลยค่ะค่ะคี้ก็แถือว่าเออพึงพอใจไหมกับผลผลที่ได้อ่ะค่ะก็ก็พอใจนะตัวเองเพราะว่าตะคิวแล้วหายเนี่ยเราเราเราเราทรมานตรตะคิวเนี่ยเราจะเป็นตั้งแต่ เอวอ่ะต้องแต่เอวลงไปข้างซ้ายเ น, นี่ยนะเราเราก็จะฟังแม่พูดในตำนองว่าระวังปวดข้างซ้ายอ่ะหญิงซ้ายใช้ขวาอะไรประมาณเนี้เขาพูดอ ย, อย่างเงี้ยแม่น ะ, ะระวังให้ดีดูแลขาให้ดีนะลูกอะไรเงี้ยงั้นเราก็แบบนั่งแล้วแบบบางทีเราก็ปวดนะบางทีลูกก็ทรมานเหมือนกันนะตัวเองลูกเนี่ยบางทีต้องใช้ต้องใช้ไม้ช่วยบางทีบบอ่ะนะเป็นหนักเนาะเนาะใช่ปวดปวดทุกขาวอย่างเงี้ยเราก็ เราไปนอนฝัง fm เราไปนอนฝัง fm ตัวเองอ่ะเปิดเราเห็นตัวเองสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้เราก็บอกเราก็เรียกแล้วเพอจุ้มลองฝังนี่กินบ้างเ้อะเราก็วอกอย่างนี้นะแล้วก็เอาที่เอาที่เออลองดูอะไรเงี้ยเราก็กินกินเราก็บอกกับแฟแล้วบอกว่าเฮ้ยเรากินได้สองสาครั้งตะคิวเราไม่เป็นเราก็พูดอย่างนี้แฟนเราจังว่าเอออุปทานตัวเองอ่ะคิดมากไม่แอ๊บเราก็มันรู้อ๋อไม่แอ๊บวะเราติตหายจริงจริงว่าเราค่อยเชื่อจริงจริงเราก็วอกอย่างนี้ อืบางทีเรายกโทษนะบางทีเรายกลบยกเท้าที่จะจีบผ้ากีริ้วเนี่ยจะยกไม่ได้เลยอืมที่ตะคิวบางทียกสูงตะคิวมันจะกินทันทีเลยนะอืมยกเท้าหยิบขีเพื่อกีริ้วเนี่ยนะใช่ใส่เท้าเนี่ยขีปเนี่ยเรายังไม่ได้เลยนะเจงมันจะขึ้นปึ๊กมันจะขาทันทีเลยอ่ะตะคิวเราอ่ะค่ะแต่เดี๋ยวนี้อาบน้ําสวมผ้าอะไรเงี้ยยังไม่ได้เลยโอ้เป็นเยอะนะ อช่บางทียกเท้าที่จะสวมผ้าถุงอาบห้ามน้ำเนี่ยนะอาบน้ําำแล้วบางทียังไม่ได้เลยเราตะคิวจะกินทันทีเลยอืนี่เราดีขึ้นอ่ะเราหายเราไม่เป็นเลยเนี่ยเรากินเราไม่เป็นเลยนะค่ะเราไม่เป็นตะคิวเลยค่ะแล้วคุณส้มเช้ามองว่าผลิตภัณฑ์มูนไบรท์ราคามันแพงเกินไปไหมเมื่อเทียบกับที่เราดีขึ้นนะเราเราว่าไม่แพงนะเราว่าไม่แพงนะให้มันหายเท่าไหร่เราก็เราก็พยายามเราตัวเองอืม เราก็เราว่ามันไม่แพงอ่ะเสียค่าหวยเสียค่าอะไรมามากกว่านี้ใช่ไหมใช่เียก็ถูกเออเสียมามากกว่านี้เนาะแค่เราด e se ูแลรักษาตัวเองแค่นี้ไม right? <mm ่แพงใช่ไหมใช่ทางรายการบุญไรต้องขอขอบคุณพี่ส้มเช้ามากมากนะคะที่เป็นเพื่อนขอบคุณอารดาคลองวิถีนะคะค่ะค่ะต้องขอขอบคุณมากค่ะพี่จ้าจ้า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 สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณวันวิสากันค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้คุณวันวิสาแนะนำชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะค่ะที่วันวิสาคุณจรค่ะค่ะบอร์ทีหนึ่งหนึ่งแปดเก้าทัพหกแปดสามจังหวักนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะอยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะ ยูมูหนึ่งค่ะหมู่หนึ่งนะคะเอ่อแล้วตัวของคนทานนะคะเขาชื่ออะไรคะของนางถ่ายนิม น, นาค่ะอ๋อคุณถ่ายนิม น, นาดนะคะค่ ะ, คะแล้วก่อนหน้าที่มารู้จักกุมูลไร้เนี่ยคุณยายอาการเป็นอะไรมาคะยายเขาก็ปวดขาปวดสะโพก ค, ค่ะค่ ะ, คะแล้วเขาเป็นมานานหรื อ, อยังพี่เขาก็เป็นมานานแล้วนะเกินก็หกเดือนอนะ่ะอืม แล้วคุณยายเคยไปรักษาตัวก่อนหน้านี้ไหมเพื่อให้มันหายเคยไปที่โรงพยาบาลอืมแล้วเป็นไงจ๊ะก็ไม่หายไม่หายไม่ดีขึ้นใช่อืมแล้วตอนหลังยาเขาก็ปวดอ๋อคือตอนกินก็หายแต่พอหมดฤทธิ์ก็ปวดเลยใ่ใช่ไหมใช่อ่าแล้วพอมารู้จักกระมูลใบเนี่ยลองใช้เห็นว่าใช้ไปชุดเล็กเองหรอแล้วดีขึ้นใช้ชุดเล็กใช่เลงค่ะ คุณยายก็คือเดี๋ยวนี้เบาตัวดีขึ้นก็เบาขึ้นนะเบาหายชาหายอะไรหมดเลยอ่ะค่ะพี่ เ, ออเดีขึ้นเดี๋ยวทางเราขอคุยกับคุณยายหน่อยได้ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณยายยา<แ>มันล้มอยู่ห้องน้ามันปวดที่ะโพกเวลากินนะนะมันมันเบาตัวอ๋อคือคุณป้าเนี่ยเคยล้มในห้องน้ามาก่อนถูกนะแล้วตอนหลังเนี่ย คุณป้าก็เลยพยายามรักษาตัวถูกไหมจ้ ะ, จะมาเยอะรักษามาหลายที่มากเรากา็ขึ้นไหมมันก็หมดลิ์ยามันก็ปวดโ อ, อ้ไปรักษาไปหาหมอหมดฤทิ์ยามันก็ปวดอืมมันก็ไม่หายมากินชุดแรกเน่ะมันดีดีขึ้นเยอะตัวเนื้อเบาขาเบาปวด เวลากินกันไปทีแรกมันทําไมถึงปวดมากเลยที่กินไปสักสี่ขวัญนะปุวดปวดมากอืมก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะว่าท่านผู้ฟังที่ได้ฟังทางวิทยุนะคะเอ่อจะเป็นคํายืนยันของลูกค้าเราหลายๆท่านนะคะว่าใช้ของมูนไบรท์ไปแล้วช่วงแรกจะปวดมากขึ้นนะคะแล้วหลัง จ, <ะ>จากนั้นก็จะเริ่มเบาตัวแล้วหายเพราะว่ามันอยู่ในช่วงปรับกของการดึงเส้นปรับเส้นออหลังจากนั้นก็จะเริ่มเบาแล้วก็<ะ>หายอ่าถ้าเกิด ถ้าปวดก็เรียกว่ามาถูกถางให้มุกมานะแล้วสู้ต่อไปอย่าได้หยุดอย่าได้ทอ้อนะคะจะ้ะแล้วคุณป้ามองว่าผลิตภัณฑ์มูลใบเนี่ย<อ>เป็นหน้าม้าไหมไม่มีแล้วค่ะค่ะไม่มีไม่มีเลยหน้าม้าก็ไม่มีกินจะกินเองค่ะอ๋อมันนีตัวมันเบามันเบาปวดเบาเมืเ่อยตัวเบาแล้วก็รู้สึกดีเบาปวด คือคุณป้าอะไรจะบอกว่าคุณป้า ก, กินแล้วก็เบาปวดแล้วก็ดีขึ้นถูกไหมจ้ะอืมแล้วคุณป้า ม, มองว่าราคาเป็นไงพอรับไหวไหมก็พอไปจ้ะ ร, รับไหวอ <c oughs> แล้วคุณป้ามีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางวิทยุไหมกับคนที่เขาแบบว่าเป็นอาการแบบคุณคุณป้าค่ะกินแล้วมันดีอย่างเดียวมันเบาปวดจ้ะ เทนี้จะจะกินไปเรื่อยๆ <S 1> <S 1> <S อือค่ะอ่ากินนี่แล้วไม่ต้องไปกินอื่นนะ <S <S อ่ารู้สึกมันดีดีเยอะโอ๋อขอบคุณมากค่ะคุณป้าคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้เจ็ดเจ็เจ็ดจ้ะเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเนาะโอ้ยังใช้ใบได้เลยนะคะค่ะขอขอบคุณคุณป้าถ่ายมินหน้า ะ, นะคะที่อยู่หมู่หนึ่งตำบนนลนครสวรรคตกอำเภอเมืองนครสวรรค์ น, นะคะ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 ให้ชุดน้ำมันหมุนไบรท์ดูแลท่านโดยชุดน้ำมันมุนไบรท์มี3ขนาดคือเล็กกลางใหญ่ทุกชุดมีสมุนไพรบำรุงเส้นสมุนไพรล้างสารพิษพังผืดหินปูนและน้ำมันบำรุงเส้นสำหรับชุดเล็กเป็นขนาดทดลองใช้ได้สองอาทิตย์ราคาเพียง820บาท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 1>, 1 3 9 4 6ส7 7ข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ำมันมูลไร่ชุดใหญ่รับของแถมฟรียำ้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไร่ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม อะไรหรือเปล่าเห็นซึ่งแต่ตอนเช้าแอบเงาในเรื่องใดคุณโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าปากพิมแต่ตาเศร้าช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมเกี่ยวกับคนนั้นไม่นะเคยมาแต่หายไปเพ้อเศร้าด้เหตุใด ใจเป็นห่วงเธออยากบอกว่าหัวใจเราปูกเอาไว้ใกล้กันเสมอเจ็บใจแต่ต้องเธอให้ฉันรับรู้ด้วยคน ทำให้คนลืมยิ้มได้คุณโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นซึ่งแต่ตอนเช้าแอบเหงาในเรื่องใดคุณโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าปากอินแต่ตาเศร้าช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมเกี่ยวกับคนนั้นไม่นะ่ เคยมาแต่หายไปเผลอเศร้าโดยเหตุใดใจเป็นห่วงเธอขอโทษที่ห่วงใยเพรใจฉันเป็นห่วงเธอ ฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณยุพินจันทักดีกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าอ่าเดี๋ยวให้คุณป้าแนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่จ้ะป้าป้ายุพินกันทักดีค่ะอยู่หมูสามเลขเลขที่บ้านหนึ่งเก้าสามค่ะนครสวรรค์ตกค่ะอําเภอเมืองจังหวัด น, นครสวรรค์นะคะจ้าค่ะคุณป้ายุพินก่อนที่มารู้จักกับมูลไบร์เนี่ยป้าเป็นอะไรมาจ้ะ ป้าปวดหัวเขาว่าปวดมากเลยจ้าปวดหัวเขาว่าแต่เพิ่งกินก น, นะแต่ที่นี้รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นไอ้ตรงหัวเข่าแล้วนะเหมือนเราเราเอาไม้หรืออะไรนี่ทิ่มแทง ม, มันเจ็บมันเจ็บอมอนอนกลางคืนก็ค่อยไม่ค่อยได้ทีนี้ป้าก็เอามูลไรมาป้าก็ฟังในวิทยุ น, นั่นแหละลูกสาวซื้อวิทยุมาให้ก็เลยฟังดูเออก็ลอง เ, เอามาดูกินนะคะทีนี้มันก็เบาขึ้นอะ่ะป้าเป็นนานแล้วนะ ป้าฉีดยาดโอ้โหป้าฉิดยาตลอด่เมื่อก่อนไปฉิดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยแนตะ่มันปวดแต่เดี๋ยวนี้ขาเนะี่ะแต่มันยังมันก็ยังดีแต่ยังมันเพิ่งจะกินเพิ่งจะกินแค่เก้าวันแต่มัน<อ>รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นนะคะอเห็นคุณป้าบอกว่าไปรักษามาทั่วเลยใช่ไหมคะจ้าจ่าจรักษามาทั่วนี่หมดเงินไปเยอะไหมป้าโอ้ก็แบบไปหากับอาทิตย์ละห้าร้อยไปมาเป็นปีแล้วมั้ง ทุก mm. อาทิตทุกอาทิตยป้าต้องไปฉีดจานั้นขาไม่มีแรงเดือนละสองเดือนละสองพันปีหนึ่งก็สองหมื่นกว่าเลยนะรักษาปีน่ะค่ะแต่ทีนี้ป้ า, ปาเอาสังเงิได้มาวันแรกน่ะป้าเอายาหมง่งยาน้ำยาเ้านัา้นถูถูนวดตรงขาเขาป้านะ่ะรู้สึกว่าเวลาตอนอนกลางคืน mm. เวลาเราพลิกมันไม่เจ็บ อ, ะอ่ะกลางคืนพลิกมไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บ นอนได้ทั้งคืนสแสดงว่าเอาน้ำมันมูนไบามาใช้เนี่ยดีตั้งแต่คืนแรกค่ะเด็กป้าที่ได้สั่งอีกไนงะมูนไรสสั่งดีมันก็ไม่แพงหรอกนะมันก็พอใช้ได้ ม, มันไม่แพงหรอกค่ะแต่มันก็ดีมันไม่ค่อยเจ็บค่อยปวดแล้วนะ่ะเมื่อก่อนนี้ป้าเจ็บ ป, ปวดทุงชอมานอือแล้วคุณป้ามองว่ายังไงบางคนเนี่ยคูอปวดแล้วก็ทดลองมาเยอะโดนหลอกมาเยอะ พอจะมาสั่งมูลไบรท์อีกทีฟังวิทยุแล้วกลัวไม่กล้าสั่งค่ะนะอันนี้ป้าก็เหมือนกัน <c oughs> ป้ากลัวกลัวมูลไรนี่นะป้าก็กลัวกลัวนะะกลัวกลัวเห็นหนุกฟังไปฟังมาทีเอี้ยเลยลองลองสักทีปัดใจเอาชุดไก่แบบว่าให้เรารู้เลยปะสองเดือนเรากินเข้าไปแล้วเราเบาลองอนะนั่นแหละป้าก็เลยตัดินใจตก่กดีขึ้นนะขึ่งกินกาวหวานนะอปกติปันจะปวดมากจะเจ็บมากป้าเป็นมาหลายปีสักสี่ห้าปีแล้วนะ ค่ะค่ะคือป้ามองว่าไอคนที่กลัวถ้ามัวแต่กลัวอยู่นั่นมันก็จไม่ดีขึ้นถูกไหมค่ะอย่างาน้อยคุณตัดสินใจลองมีชุดเล็กก็ได้อย่างน้อยลองแล้วทุกปกติป้านอนกลางคืนป้าจะนอนปรับไม่สนิทหรอกมันจะปวดข้อเขา่าแต่ป้าก็ทายนั่นเข้าไปวันแรกนะนอนคืนนอนสว่างเลยไม่ปวดออื มันในปวดปกติมันจี้เหมือนเราเหมือนจะพูดยังไงไม่ถูกอะเหมือนเอาไขควงไปแทนไปเข้มมันอะอจ้ะแล้วทีนี้ป้าปวดป้าจำเรยบนที่ทายฟังนะป้าจะเก็บไว้คนเดียวคนพูดไปเข า, เากขาช่วยเราไม่ได้ไงมันปวดไม่ไอ้นี่จริงๆนะไม่ได้โกหกเนี่ยจริงๆค่ะมันเบาล้ค่ะค่ะทางรายการมูลร้ายนะคะต้องขอขอบคุณคุณป้ายุพินจันทพักดีนะคะ อยู่หมู่สามตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะขอบคุณมากค่ะคุณป้าค่ะทนปวดอยู่ทำไมต้องจ่ายเท่าไรถึงจะพอจะดีกว่าไหมถ้าหายปวดเบาตัวในชุดแรกที่ใช้ถ้าใช่ชุดน้ำมันมูลไบรคือคำตอบสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสี่ หกเก้าเจ็ดเจ็ดจำศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณเรรายกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้คุณเรรายแนะนำชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะ อ๋อชื่เอเรไรอะค่ะพาได้เลขที่ 1, หนึ่งห้ามูสี่จังหนครสวรรคตกค่ะอำเภออะไรคะอำเภอเมืองค่ะจังหวัดคะ่ะนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณเรไร ท, ทําอาชีพอะไรคะก็อาชีพค้ขายทั่วไปอะค่ะอืค้าขายทั่ว <อำ S 1> ไปไม่ทํามากอะค่ะเวลาเ น, น, นี่ยมันปวดเมื่อยกินอยู่สองคนกับพี่สาวอะคะ่ะพี่สาวไม่ได้กินหลอกพี่สาวทา ค่ะงฉันเป็นคนกินด้วยค่ะด้วยอ๋อที่บอกว่าปวดเมื่อยเนี่ยอาการปวดยังไงบ้างคะอ๋อมันปวดตามข้อตามกล้ามเนื้อค่ะเวลาเดินแล้วมันกบแ๊บกบแ๊บนะคะกระดูกมันแบบดังแคบกบแ๊กเวลาขึ้นลงบันไดอ่ะคะ่ะเวลาเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยกบแ๊บตรงไหนบ้างคะตรงข้อข้อเทา้าแล้วก็หัวเข่าค่ะมันจะดังป๊อ อะไรนะแล้วก็ปวดเวลาปวดเนี่ยมันปวดตรงไหนบ้างคะปวดหัวเขา่าเวลากาบพ้าไหว้พ้าอะไร น, น้องๆนี่ค่ะแล้วเป็นที่ที่แขนนะคะมันก็ลดลงแล้วเมื่อก่อนปุ๊แบแทจะยกแขนไม่ขึ้นเลยคะ่ะอืมคุณเรรายนี่อายุเท่าไหร่คะนด้หกแล้วคะ่ะโอ้หกสิบกว่าแล้วนะเนาะหกสิบแล้วคะ่ะ ก็ยกแขนไม่ขึ้นปวดหัวเขาว่าเดินมีเสียงในกระดูกตรงหัวเข่ากับข้อเท้าเป็นมากี่ปีคะก็เป็นมาแค่สองสามปีเนี้ยนะคะอืมเป็นมาสองสมปีเห็นตอนแรกเนี่ยสั่งมูนไบรท์ไปชุดหนึ่งอาการดีขึ้นตั้งแต่ชุดแรกเลยเหรอคะค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นอาการคะือสั่งเจอดู่าี่ ถามพี่สาวพี่สาวก็ท า, รารตรงสะโพกกับปวดอยู่ว่าดีไหมคะเขาก็ดีขึ้นอืมค่ะรอบนี้ก็เลยมาสาาั่งพุดใหญ่เลยค่ะก็เลยลองสั่งพุดใหญ่ไปดูซิอืมค่ะแล้วอาการที่ปวดกระดูกปวดหัวเขายกแขนตอนนี้ยกแขนขึ้นบ้างไหมคะก็ดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนมันแบบเป็น ปวดเหมือนหย่อนต่ำเนะื้อเป็นคนก้อนๆตึงมากเลยอืนึ่ค่อยๆมันหย่อนลงแล้วมั้งมันก็ค่อยๆยืดทั่วขึ้นอืมค่ะคุณเรไรมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมบางคนบอกว่าฟังมูนไบมาเยอะนะแต่ไม่กล้าสั่งเพราะกลัวโดนหลอกค่ะอ๋อไม่ต้องกลัวโดนหลอกสาี้เรื่องจริงค่ะให้ทุกคนได้ลองทานดูอย่างดิฉันนั่นค่ะวเอ๊มันเป็นยังไงก็ลองฟั่งมาทานดู มันก็ดีขึ้นนะคะอืมคะ่ะถ้าใครเป็นแบบนี้ก็ขอให้ลองสั่งมาชุดเว็บมาทานดูก่อนจะได้ค่ะอืมเนะ<น>เขามีให้เลือกหลายชุดนะเนะค่ะเขามีให้เลือกหลายชุดแล้วก็ลองดูก็ได้นะอืมอทางบุญไบรท์ก็ต้องขอขอบคุณคุณเรรายเป็นอย่างยิ่งนะคะอยู่ที่ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภ อ, อที่ราวนะคะจั<อ>งหวันครสวรรค์นะคะ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 เขาปลูกท่านดีเขาปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาเสียเวลาเวลาเสียที่นาฟรีฟรีตัวเนื้อเย็นผิวก็เป็นยองยาย ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดิีพอดีขับลวงจิโกโ ฮ, ฮิปโป ฮ, ฮิปปี้เหมือนแจกกันฉันดีเสียบไปดอกกันชา ว่าพี่เองใช่คุยแบ่งบทัพธมมันข้าวพันผสมกรมการข้าวจัดมาให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตทับผลเกิดมาจะได้เป็นผลละเมืองดี เป็นผิวก็เป็นยองใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดีพอดี้าควงจีโกฮิปฮอฮิปปี้เหมือนแจกกันฉันดีเสียบด้วยดอกกันชาตัวพี่เองชัยคุยเบ่งทับทม มืนข่าวพันผสมกรมการข้าวจัดมาให้พี่เป็นข้าวแบสาวเป็นนาถ้าลิตถ้าผลเกิดมาจะได้เป็นคนละมือดีน้ำมันนวดบรรเทาอากาศปวดเมื่อยนี้ สกัดจากสมุนไพรเกือบ20ชนิดยกตัวอย่างเช่นเถาตีนเป็ดเครือสปะคุณเนี่ยเขาแก้ปวดเมื่อยทำให้เส้นเอ็นอ่อนลงเสริมสร้างเส้นเอ็นนะ่ะให้แข็งแรงใบและดอกของต้นเทียนเกล็ดหอยช่วยบำรุงที่เส้นเอ็นที่อักเสบช่วยฟื้นฟูสภาพเส้นเอ็นที่พิการเนื่องจากอุบัติเหตุรถความถชนใบอังกาบแดงแก้ฟกช้ำเคล็ดขัดยอก ผักหนอกแก้เมื่อยแก้ขัดแก้ปวดในเส้นแล้วก็แก้ช้ำในเถายั้งแก้เส้นเอ็นพิการดับพิษในกระดูกรักษาอาการเส้นยึดอาการเคลื่อนไหวตัวลําบากไกรทองแก้เส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยแก้เน็บชาชามือและชาเท้ารากของเถาวันเปรียงบํารุงเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นขอดเถ่ายโคคลานแก้เส้นเอ็นตึงแก้ปวดหลังและทําให้มีกําลังวังชา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 ทำให้ผิวท่านสนส่ยสดใสเต่งตึงและมีคุณสมบัติเหมือนหมอนวดมาจับเส้นดูแลสุขภาพท่านยังไงยางนั้นโดยที่ท่านดูแลตนเองในราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นเองทาอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรวมถึงช่วยไล่มแมลงที่ไม่พึงประสงค์รอบๆตัวท่านได้ด้วย นี่คือเป็นประโยชน์ของน้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชีนิชาพัฒนค่ะยกษาปุจจาค่ะแม่ชีเจ้าคะเอ่อไม่ทราบว่าก่อนจะรับประทานผลิตภัณฑ์สรมอาหารของมุนไร์อะค่ ะ, คะไม่ทราบว่าแม่ชีเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างคะแบบไปโดนรถชนมาตั้งแต่วันที่วันที่แปดุลห้สาค่ะตอนนี้กระดูกมันแตกค่ะแล้วก็ กระดูกมันแตกแล้วตัว น, นี้กระล็กตอกแล้วค่ะแล้วกระดูกมันก็ยังไม่ยังยังไม่เข้าที่แล้วก็กระดู ก, กดมันปวดค่ะอืขาเรนิทานมุนไบของบอยนี่แล้วดูรู้สึกว่าขามันจะเดกขึ้นแล้วนกะะ็นิ้วที่ต่อเส้นประสาทสายขานี่มันก็ติดตกลงก็ น, นี่มันก็เริ่มขึ้นมามั่งแล้วอืมเดินคลอคองมั่งแล้วและมือที่ตกกระไดข้างขวา ตกกระไดไมตั้งแต่วันที่สามพิเกระดาษรมดาห้าเจ็ดวันนี้ก็ทานในมุนใบแล้วก็รู้ึดว่ามันเบาปวดมั่งแล้วอืมค่ะก็คือสรุปว่าจากอาการเดิมที่แม่ชีเอ่อเหมือนกับว่าเดินไม่คล่องนะคะเคยตกกระไดเจ็บจีจๆอะไรปว ด, ปวดๆอะไรเงี้ยตามร่างกายก็ดีขึ้นใช่ไหมคะ เบาขึ้นมันหายปวดหมวเขาจะว่าจะผ่านต่ก็เลยไม่ผ่าเ oh. แต่ว่าตันใจไม่ผ่าแล้วทานมุนไบ เ, เข้าไปและะ้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะมันมือหายปวดบรรเทาลงขาก็ดีขึ้นีกําลังขามั่งขึ้นห <c oughs> ายปวดค่ะเด็ทานที่ส่งมาให้แล้วก็ทานแล้วก็ดีขึ้นมาบรรเทาขึ้นมาแล้วก็มีสักอย่างต่อเพิ่ม ค่ะแม่ชีคะตรวจสอบถามนิดนึงค่ะเผื่อแบบบางค น, นะคะสงสัยแบบว่าเอะของมูลไบร์เนี่ยเออ ม, มันแพงหรือเปล่าราคาเนี่ยมันสมกับสรรพคุณที่เขาจะได้รับหรือเปล่าค่ะไมไ่แพงใช้ดีขึ้นมาแล้วก็มันไม่แพงเกินไปที่เราไม่ชีนี่ไม่พอจะซื้อได้ค่ะ อ๋อก็คือแบบว่าคนแม้คนอะไรได้น้อยนะคะก็สามารถจะเอะสัมผัสได้นะว่าออของของมูลไรนเนาะไม่แพงเนาะค่ะแม่ช<อ>ีของไม่แพงค่ะอ๋อเมื่อเทียบกับสรบรพคุณใช่ไหมคะอย่าเขว่าโฆษณาแล้วคนอื่นที่ทานไปบางคนเขาช่วยเหลือตัวเองไว้นะเขาทานแป็กตขึ้นมาแล้วเราก็มาทานนีนกระเป๋ามือขาเบาขึ้นปวดหายเบาปวดมีกําลังมือขึ้นก็ได้ไม่ต้องไปผ่าสัด ต่อได้ ต, ต, ต, ต, ต่อมือกระดูกมือทานกระเป๋าขึ้นเรื่อยๆ่มือจะสังุที่สองเพิ่มมาทานอีกอืเจ้าค่ะแม่ชีคะแล้วสอบถามว่าอ่ถ้าคน อ, อยากจะทราบว่าแม่แม่ชีคะอยู่ที่ไหนอำเภอแล้วก็จังหวัดอะไรค่ะเดี๋ยววัดพรมจยาวาดจังหวัดนครสวรรค์อ๋อค่ะกุดด้มชีวัดพรมอ๋อวัดพรมจริยาวาดนะคะ อ๋อแถวแถวแถวแถววิธีลายเทคนิคเนาะตวันตาวิธีลายเทคนิคตวนยุทธิ์เลอ๋อค่ะอ๋อก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะต้องวันนี้ก็กราบขอบพระคุณแม่ชีนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะมาอยู่ในรายการนะคะมูลไบรท์แล้วก็ช่วงมูลไบรท์สันจรนะคะ<ม>ค่ะก็ทางรายการของเราก็ขอขอบพระคุณนะคะคันแม่ชีเป็นอย่างยิ่งค่ะ<ม>ค่ะถ้าเกิดค่ะท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะ อาการดีขึ้นเหมือนแม่ชีนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะค่ะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์นะคะ0813946977 0813946977หรือที่เบอร์0885453515 088-545-3515 หสหหหทนปวดอยู่ทำไมต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะพอจะดีกว่าไหมถ้าหายปวดเบาตัวในชุดแรกที่ใช้ถ้าใช่ชุดน้ำมันมูลไบรคือคำตอบสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งสเจด เจ็ดยำศูน3 9 4 6ดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อนามส ก, กุลที่อยู่เลยค่ะจ้าจาป้าชื่อเยาวภ า, านามส ก, กุลวันดีค่ะอยู่บ้านเลขที่หนึ่งนสี่เก้าทแปด ตำบล น, นครสวรรค์ตกอำเภอเมือง น, นครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะแล้วคุณป้าเอ่อก่อนที่จะใช้มูลไบร์อะค่ะป้าเป็นอาการยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะออป้าปวดแบบปวดเอวปวดบ้านเอวแล้วก็มันมีก้อนก้อนน ะ, ะนวดนวดนวดไปนวดมาหมอก็ไม่กล้านวดคนนวดนะะนวดทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี้มันเหมือนน่าจะเป็นมันมันโตมันเป็นมกระชายซีดอนะ เข้าหัวนี่โป้มือเนี่ยเข้าเม็ดข้นุนเลยอะ่ะนะเขาก็ไม่กล้าพอเวลาพนวดเสร็จแล้วมันยิ่งนวดตาคือยิ่งเดินไม่ได้เลยอะ่ะมันปวดปวดมากแล้วก็มันจะเงยไม่ได้เลยต้องต้องยืนหลังแอ็นน่ะแล้วก็ปวดข้อมกบปวดลว่าไปถึงข้ อ, อต่อตรงก้นเลยอะ่ะปวดมันทรมานมากเลยนะทรมานมาเจ็ดเดือนนะโอ้เนาะตรงนั้นน่ะแล้วก็ก็เลยมาฟั ง, ฟงวิทยุ นะคะมาฟังก็ซื้อซื้อซื้อวิทยุมาฟั ง, ฟงคืนนี้ก็ยินจากเพื่อนเขาที่เ้าขายกาแฟาอยู่เขาก็มาเล่าให้ฟังก็มากินร้านอาหารพี่ป้านะที่ร้านถั่ไทยเนี่ยเขาก็มาก็มาเล่าให้ก็าฟังผัดข้าวแล้วก็มานั่งผัดข้าวแล้วก็มานั่งก็เลยลองลองกินสักขวดดูสิว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยชวนเพื่อนมาแบ่งคนละครึ่ง น, นะคะก็แบ่งคนละครึ่ง สดู้ค่ะค่ะแล้วไงต่อจะามาแบงค์คขึ้นก็เลยสั่งไก่ต้งเลยของงูไบนะค่ะลองกินดูก็เห็นมันไปแบงกินขวดละพานห้าพันหกก็ก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นก็ลองกินที่นี่ลองกินไปประมาณห้าสิหกสิบเมตรหกสิบเมตรอยู่ๆก็ประมาณทักสองสองวันที่แตมันไปที่ละขวดเอ่อขวดคนปกมะน้องตรงเอวอ่ะขวด ตรงต้นเลยอ่ะมันเล้าไปหมดเลยอ่ะนอนก็นอนไม่ได้มันกระเทิ่มดีขึ้นดีขึ้นเออมันมันก็ดีขึ้นนะคะเพราะมันก็ไม่รู้มันเป็นยังไงปัจจุบันมันหายไปเลยอ่ะมันหายไปเลยก็อยู่ๆก็ลงมาอาบน้ํามาคำที่ตรงตรงตรงที่เหมือนมันนูนๆเป็นไม้ขนุนก็ลองมาดูตรงที่มันเหมือนที่ที่ว่าเป็นก้อนๆแต่ว่าจะไปหาหมอ ก็เลยไม่ต้องไปแล้วค่หมอใจใจไม่ดีเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพรามันเป็นก้อนโตขึ้นโตขึ้นแต่ตอนนี้พอคำแล้วนะฮะไม่มันมองไม่เห็นเลยอ่ะถ้าไม่กดจริงจริงก็ไม่เห็นนะตอนนี้มันก็จะเหมือนก้านเม็ดถั่วเขียวอะอยู่ๆก็มองไม่เห็นจากตรงนี้นะ้วนะแต่ก็กําลังจะสั่งมนได้เพิ่งกินไปได้กวดกว่าไเองอะตรงเนี้ยก็สั่งให้เพื่อนเขาอีกห้าสิบเม็ดก็เลยก็เลยก็เลยติดต่อไปทางบริษัทว่า ก็ล่าให้เพื่อนฟังว่าเพื่อนเขาปวดขาแล้วกค่อยๆดีขึ้นแบ่งๆกันไปในร้อยเม็ดเนี่ยนะป้าไม่ได้กินทีดียอนะเป็นร้อยเม็ดค่ะแบ่งให้เพื่อนบ้างคุณโน้นคุณนี้อย่างนี้นิดหน่อยแล้วเขาดีขึ้นก็ก็เริ่มจะจะเริ่มตังตรงนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้ขายของขายดีแล้ ว, ว่หิ้วน้ำํำ <c oughs> หิ้วน้ําผัดข้าวผัดอะไรไม่นั่งอะหมดวันป้าก็ไม่ได้นั่งเลยเนะี่ยทั้งวันเลยเนี่ยไม่ได้นั่งเลยเดินหิ้วน้ําขึ้นลงเพราะบ้านอยู่ที่สูง แก่อนตะวันอยู่บกเขาเลยอ่ะขึ้นลงขึ้นลงก่อนนี้ต้องใช้ไม้ต้องใช้ไม้ตะกำเดินขึ้นเดินลงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะสบายเลยค่ะตวนี้เราก็เจอสั่งไปใหม่เนาะตรงนี้ก็อยากเป็นแนะนำอาจารย์ทคนไหนเป็นเพ่นเองก็นะฮะต้องเๆๆ อ, งอ่อทานได้เลยของมูลใบนะตัวนี้เชื่อม100ั่นร้อยเปเซ็นนะคะร้อยเซ็นหายแน่นอนนะคะ ค่ะแล้ ว, ป, ป, วป้าคิดว่าของมุนไบส์ค่ะป้าคิดว่าของมุนไบส์เนี่ยแพงไหมเทียบกับสิ่งที่ป้าป้าได้รับไม่แพงอ่ะเพราะกินมูลไบส์แค่สามร้อยกว่าบาทเนี่ยจากป้าหมดไปที่อื่นหมดไม่รู้กี่หมื่นแล้วเนี่ยหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันหายแค่แป๊บเดียวนะหายแป๊บเดียวมันแค่มันเาแบาแค่บรรเทาแล้วมันก็มาปวดไม่เกินสี่วันห้าวันแต่ตอนนี้ป้าหมดแล้วเนี่ยหมดไปนะเจ้ตสองที่ป้าก็ยังไม่ปวด ถ้าก็ยังไม่ปวด ม, มันมันมันมันดูอาการแล้วมันก็เหมือนหายแล้วหายเลยเนาะไม่กินก็ได้ถ้าไม่กินก็ได้นะดูแล้วมันก็ไม่ปวดอ่ะแล้วให้ลองกินก็ไม่ปวดมันก็ดีขึ้นนะ่ะนะคะใช้ชีวิตปกติตอนนี้เนาะใช้ชีวิตปกติจริงๆเลยลูกลูกเต้ายัางบอกเลยอือตอนนี้แม่เดินดีเดินดีขาเสริมไม่เห็นบ่นว่าปวดนอนก็สบายหลับก็สบายตรงนี้นะคะ ค่ะค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าเยาวภาวันดีมากนะคะที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกมูลไบส์ขอบคุณมา ก, กค่ะจ้าจ้าจ้าขอบคุณนะคะทนปวดอยู่ทาไม